สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องสมุดหลังใหม่นะคะมาตามติดชีวิตโยคีกับตอนที่24ค่ะจากหนังสืออัตาชีวประวัติของโยคีของท่านปรมาหังษายโยคานันทะหนังสือเกี่ยวกับชีวิตของโยคีที่โยคีเป็นผู้เขียนเองนะคะใกล้จะจบเต็มทีแล้วละค่ะออตอนนี้ จะพาคุณไปพบกับเทเรซีนอยมันนะคะซึ่งเป็นชาวแคทอลิกที่มีสั ญ, ญลักษณ์รอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระคริสต์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องของชาวคริสต์ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ท่านปรม า, หาเหงษานี่ท่านต้องการที่จะไปพบคนคนนี้ชื่อว่าเทเรซีนะคะเกิดในวัน Good Friday ตอนอายุ20ประสบอุบัติเหตุตาบอดแล้วก็เป็นอัมพาตแต่แล้วอีก5ปีต่อมาเธอก็หายจากตาบอดค่ะด้วยการสวดอ้อนวอนอ้อนวอนแซงติเรสแห่งเมืองลิซิเยร์แล้วต่อมาแขนขาก็หายจากการเป็นอัมพาตคือหายจากตาบอดแล้วก็หายจากการเป็นอัมพาตด้วย และนับจากนั้นเธอเลิกกินอาหารแล้วก็ดื่มน้ำโดยสิ้นเชิงนะคะแต่ว่าเธอจะกินขนมปังเศษชิ้นเล็กๆทุกวันวันละหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีสั ญ, ญลักษณ์รอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระคริสต์ปรากฏขึ้นที่ศีรษะหน้าอกมือและเท้าทั้งสองข้างาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะปรากฏเมื่อปี1926 และทุกๆวันศุกร์ค่ะร่างกายของเธอจะได้สัมผัสกับความทุกข์ทรมานของพระเยซูขณะถูกตรึงกางเขนในอดีตการนะคะปกติแล้วเธอจะพูดได้แค่ภาษาเยอรมันพื้นๆแต่เวลาที่อยู่ในพวังโดยเฉพาะวันศุกร์เนี้ยค่ะเธอจะสามารถพูดภาษาแปลกๆซึ่งผู้รู้บอกว่า เป็นภาษาอารามาอิกโบราณบางช่วงก็พูดภาษาฮีบรู ห, หรือว่าภาษากรีกได้ด้วยทางศาสนาจักเนี่ยอนุญาตให้ทำการตรวจสอบเทรเรซตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดหลายครั้งด้วยกันนะคะเคยมีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เยอรมันของทางฝ่ายโปรตเตสแตนต์ฉบับหนึ่งเดินทางมาหาเทรเรซ์ หวังที่จะเปิดโปงการต้มตุนหลอกลวงของฝ่ายแคทอลิกแต่สุดท้ายเปลี่ยนความคิดมานั่งเขียนชีวรประวัติของเธอออกเผยแพร่ด้วยความเคารพแทนท่านปรมาหังษาโยคานันทะท่านต้องการที่จะได้พบกับเทรเรซาปรากฏว่าพอมาถึงบ้านเธอไม่อยู่แต่ก็มีคนบอกกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ย เธออยู่ที่ไหนเพื่อนบ้านก็บอกว่าน่าจะไปอยู่ที่บ้านศาสตราจารย์ฟรานซ์วูดเป็นอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศนะคะอยู่ห่างออกไปประมาณ80ใหไมล์ทันโยคานันทะก็ไปค่ะปรากฏว่าก็ไปเจอ เ, อเทรเรซ์ อ, อยู่ที่นั่นจริงๆลองมาฟังนะคะเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่ง แล้วก็เป็นเรื่องจริงคือเป็นเป็นคนที่มีตัวตนอยู่จริงนะคะในหนังสือเล่มนี้มีรูปของเทรเรซีด้วยเรื่องราวของเทรเรซีจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยนะคะชีวิตโยคีตอนที่24ค่ะ ทันโยคานันทะตามเจ้าของบ้านคือดรวูดขึ้นบันไดไปยังห้องรับแขกเทเรซ์เดินเข้ามาทันทีเธอสวมชุดกระโปรงสีดำ ม, มีผ้าคลุมศีรษะสีขาวสะอาดตอนนั้นเธออายุ37ค่ะแต่ดูเยาว์วัยกว่ากว่าอายุจริงมากคือด็คคือดูอ่อนกว่าวัยดูสดใสแล้วก็มีสเสน่ห์เหมือนเด็กๆไม่มีผิดดูแข็งแรงรูปร่างได้สัดส่วน แก้มเป็นสีกุหลาบท่าทางจำใสร่าเริงคือดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นนักบุญพูดละเว้นจากการกินอาหารคือเธอเลิกกินอาหารแล้วก็ดื่มน้ำโดยสิ้นเชิงนะคะทุกๆวันนี้จะกินแค่ขนมปังเศกชิ้นเล็กๆ เ, เท่านั้นเทเรซากับท่านโยคานันทะก็จับมือทักทายกันอย่างนุ่มนวลต่างยิ้มอย่างมีความสุข ด้วยใจที่สื่อถึงกันได้อย่างเงียบๆคือต่างฝ่ายต่างก็เป็นผู้ที่มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าในศาสนานะคะแม้ว่าจะต่างศาสนากันแต่ก็เชื่อมั่นในพระเจ้าเหมือนกันอ่าดรวูดสก็เสนอตัวเป็นล่ามให้ทันโยคานันทะก็สังเกตเห็นเทเรเซ์ ชำเลืองมองมาที่ท่านด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่างซื่ อ, อคือในแคว้นบาวาเรียของเยอรมันตอนนั้นเนี่ย mm. ก็คงจะหาชาวฮินดูได้ยากนะคะนานๆจะเจอสักที mm. คำถามแรกที่ท่านถามก็คือ mm. คุณไม่กินอะไรเลยหรือครับเทเรซตอบว่า mm. ไม่กินเลยคะ่ะ ยกเว้นขนมปังเศกตอนหกโมงเช้าของทุกวันท่านอยู่คานันทาก็ถามต่อว่าไอ้ขนมปังเศกนี่มันชิ้นใหญ่แค่ไหนเธอตอบว่าแค่ชิ้นเล็กๆเท่าเหรียญเงินแล้วก็บางเหมือนแผ่นกระดาษแล้วเธอก็ชี้แจงต่อว่าดิฉันกินเพื่อล้างบาปถ้าไม่ผ่านการเศกดิฉันจะกลืนมันไม่ลงแค่ขนมปังชิ้นเท่านั้น คงไม่ทำให้คุณมีชีวิตอยู่รอดมันตั้ง12ปีหรอกจริงไหมครับประเด็นก็คือท่านตั้งใจจะถามว่ากินแค่ขนมปังวัลชิ้นแค่นี้เนี่ยแล้วมีชีวิตรอดต่อมาได้อย่างไรจนกระทั่งถึงปัจจุบันเทรเรซตอบว่าดิฉันอยู่ได้ด้วยแสงแห่งพระเจ้าสำหรับท่านโยคา น, านันทาแล้วนี่เป็นคำตอบที่เรียบง่ายราวกับไอสตล์เลยทีเดียว อยู่ได้ด้วยแสงแห่งพระเจ้าเข้าใจละคุณรู้ว่ามีพลังงานจากอากาศสาธาตุแสงอาทิตย์และอากาศไหลผ่านเข้าสู่ร่างกายคุณ mm hmm. เทเรเซ่ยิ้มดิฉันดีใจจริงๆที่รู้ว่าคุณเข้าใจว่าดิฉันดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไร mm hmm. ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณคือการสำแดงให้เห็นถึงสัจธรรม ในถ้อยดำรัดของพระคริสต์ที่ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้ามีเชิงอัดอธิบายนะคะว่า แบตเตอรี่สําหรับร่างกายมนุษย์อย่างเราๆ เ, เนี่ยไม่ได้อาศัยแต่อาหารห ย, ยาบๆเท่านั้นแต่ยังต้องพึ่งพาพลังแรงสั่นสะเทือนในจักรวาลด้วยพลังที่มองไม่เห็นนี้จะไหลเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านทางท้ายสมองส่วนล่างสุดที่ต่อกับเส้นประสาทสันหลังบริเวณท้ายทอยถือเป็นจักระลำดับที่6อยู่เหนืออีกหาจักระตามแนวกระดูกสันหลังทั้งหมด จั ก, กระเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าวงล้อหรือจุดที่พลังชีวิตถูกปล่อยออกมาจั ก, กระลำดับที่6ที่อยู่ตรงท้ายสมองนี้นะคะถือเป็นทางเข้าหลักให้กับพลังปราณแห่งจักรวาลผ่านเข้ามาสะสมไว้ในร่างกาย อันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากทราบโดยละเอียดนี่ก็สามารถมาติดตามอ่านได้นะคะจะมีอธิบายอย่างละเอียดลงลึกเลยละคะ่ะขอผ่านไปที่เรื่องของเทรเรซีนะคะคำอธิบายของท่านโยคานันทะที่แสดงให้เห็นว่าเทรเรซีกับท่านเนี่ยพูดและเข้าใจในสิ่งเดียวกันก็ทําให้เทรเรซียินดีแล้วก็บอกว่า เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะหนึ่งในเหตุผลที่ดิฉันอยู่ที่นี่บนโลกในวันนี้ก็เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยแสงแห่งพระเจ้าที่ตาของมนุษย์อย่างเราเรามองไม่เห็นไม่ใช่ด้วยอาหารแต่เพียงอย่างเดียวแล้วคุณพอจะสอนวิธีมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องพึ่งอาหารให้กับคนอื่นได้ไหมครับเทเรเซ่ออกอาการตกใจเล็กน้อยก่อนจะบอกว่า ทำไม่ได้หรอคะ่ะพระเจ้าไม่ได้ทรงประสงค์เช่นนั้นคือพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้คนทั่วไปเป็นแบบนี้นี่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมากๆครั้นข้าพเจ้ามองปราดไปที่สองมืออันแข็งแรงและงดงามของเธอเทเลเซ่ก็ยกมือขึ้นให้ข้าพเจ้าดูรอยแผลสี่เหลี่ยมที่เพิ่งจะหายดีบนหลังมือทั้งสองข้าง ก่อนพริกมือชี้ให้ดูรอยแผลเล็กๆรูปพระจันทร์เสี้ยวบนฝ่ามือที่เพิ่งจะหายดีอีกเหมือนกันแผาแต่ละแผลต่างทะลุฝ่ามือไปออกอย่างอีกด้านหนึ่งภาพที่เห็นทําให้ข้าพเจ้านึกถึงตะปูเหล็กขาสี่เหลี่ยมปลายเป็นรู ป, ปวงเดือนซึ่งยังมีใช้กันอยู่ในโลกตะวันออกแต่จําไม่ได้ว่าเคยเห็นที่ไหนในโลกตะวันตกเทเลเซเล่าเรื่องการได้นิมิตเป็นประจำทุกสัปดาห์ของเธอให้ข้าพเจ้าฟัง เธอบอกว่าเธอรับรู้ความเจ็บปวดทรมานทั้งหมดของพระคริสต์เหมือนคนดูที่ช่วยอะไรไม่ได้ในแต่ละสัปดาห์ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันพฤหัสบดีถึงบ่ายโมงตรงของวันศุกร์แผลของเธอจะเปิดและมีเลือดไหลออกมาน้ำหนักตัวของเธอจะลดลงถึง10ปอนด์จากน้ำหนักปกติ121ปอนด์ความจงรักและอาทรในองค์พระคริสต์ ทำให้เธอต้องทนทุกทรมานแสนสาหัสแต่เธอก็ยังเฝ้ารอที่จะได้เห็นพระองค์ในนิมิตในแต่ละสัปดาห์ด้วยใจยินดีข้าพเจ้าตระหนักขึ้นมาในชั่วขณะจิตนั้นว่าพระเจ้าทรงกำหนดชีวิตอันผิดธรรมดาให้กับเธอเพราะประสงค์จะยืนยันกับชาวคริสต์ทั้งปวงว่าพระเยซูทรงเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์ และทรงถูกตรึงกังเขนจริงตามที่มีบันทึกไว้ในพระคำพีใหม่นอกจากนี้ยังทรงมุ่งหวังจะแสดงให้เห็นถึงความผูกพันอันเป็นนิรันดระหว่างพระคริสต์กับบรรดาสานุสิ์สตราจารย์มูส์ก็เล่าเรื่องของเทเรเ ซ, เซ่จากประสบการณ์ของท่านเองบอกว่าคณะของท่านรวมทั้งเทเรเซเนี่ยมักไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆในเยอรมนีครั้งละหลายหลายวัน เวลาไปได้วยกันท่านและทุกคนก็จะได้เห็นว่าเทเรซไม่กินอะไรเลยแต่ว่าคนอื่นๆในคณะกินกันวันละสามมือ้อแต่ถึงกระนั้นเทเรซก็ยังดูสดชื่นเหมือนดอกกุหลาบไม่มีท่าทีเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้เห็นทุกครั้งที่ทุกคนกวาดสายตามองหาที่พักข้างทางเพราะว่าเริ่มหิวเทเรซเป็นต้องหัวเราะขันทุกครั้งไป แล้วท่านก็ให้ข้อมูลด้านสรีระที่น่าสนใจเพิ่มมาอีกว่าเหตุเพราะเทเรซีไม่กินอาหารเลยกระเพาะของเธอจึงหดตัวการขับถ่ายก็ไม่มีแต่ต่อมเหงื่อยังทำงานอยู่ผิวของเธอเนียนนุ่มและไม่เคยเหี่ยวยน่นตอนที่ท่านอยู่คารันทะลา ก, กลับท่านก็บอกเทเรซีว่าอยากจะไปดูเธอตอนได้นิมิต เธอก็ตอบอย่างมีน้ำใจว่ามาสิคะมาที่คอนเนอร์สลอยวันสุขหน้าท่านบิชอปจะออกเนื่อสืออนุญาตให้ดิฉันดีใจเหลือเกินที่คุณอุตส่าห์ตามมาถึงไอสต็กที่นี่เทเลเซ่จับมืออัมลาทุกคนอย่างนุ่มนวลเดินมาส่งถึงที่ประตู มีเด็กๆแห่เข้ามามารุมมาตุ้มเป็นกลุ่มใหญ่เทเรเซเ่ถอยกลับเข้าไปในบ้านเธอยืนส่งอยู่ที่หน้าต่างโบกมือให้ยอยๆ ย, ยเหมือนกับเด็กๆวันรุ่งขึ้น่ันยคานันทะได้คุยกับพี่น้องผู้ชายสองคนของเทเรเซเ่พวกเขาเล่าให้ฟังว่า เทเรซนอนหลับพักผ่อนแค่คืนละหนึ่งหรือว่าสองชั่วโมงเท่านั้นแม้ว่าร่างจะเต็มไปด้วยบาดแผลแต่เธอกระฉับกระเฉงและเต็มไปด้วยพลังเธอรักนกคอยดูแลตู้ปลาออกมาทำสวนบ่อยๆเธอมีจดหมายที่ต้องตอบเป็นจำนวนมากชาวแคทอลิกเขียนมาขอให้เธอสวดอธิษฐานและรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ว่ากันว่าหลายคนหายจากโรครายได้ก็เพราะเธอ บ่ายวันพะหัสบดีคณะของท่านอยู่คานนนทะทขออนุญาตท่านบิชอฟในการที่จะไปพบกับเทรเรซที่บ้านเพื่อที่จะไปดูตอนที่เธอได้นิมิดนะคะได้นิมิดอย่างไรเดี๋ยวลองฟังค่ะท่านบิชอฟก็ออกหนังสืออนุญาตให้แต่โดยดี การขอหนังสืออนุญาตนี้ไม่จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่ทางคริสัตจกออกกฎนี้มาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวแห่กันไปหาเทเรซีไปรบกวนเธอเหมือนอย่างที่เคยหลั่งไหลช่วงแรกๆนะคะเมื่อปีก่อนๆซึ่งไปกันเป็นพันๆคนเทเรซก็ลำบากแล้คะค่ะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติอยู่ได้ คณะของท่านโยคานันทะมาถึงหมู่บ้านในเช้าวน of of ันศุกร์ประมาณเก้าโมงครึ่งเขาพระเจ้าสังเกตเห็นว่ากระท่อมหลังเล็กของเทเรซีมีบางส่วนที่กรุหลังคาด้วยกระจกเพื่อให้แสงส่องลงมาหาเธอได้อย่างเต็มที่เห็นประตูกระท่อมเปิดกว้างออกต้อนรับผู้คนมิได้ปิดอยู่อีกต่อไปพวกเราก็ยินดีนักตรงไปเข้าแถวร่วมกับผู้มาเยือนอื่นๆอีกราว20ิคน ทุกคนล้วนถือหนังสืออนุญาตเอาไว้หลายคนเดินทางมาจากแดนไกลเพื่อชมการรับนิมิตอันลี้ลับนี้ในช่วงหลายชั่วโมงก่อนที่ท่านโยคานันทะจะมาถึงวันนั้นเทเรเ ซ, เซได้นิมิตในช่วงไม่กี่วันสุดท้ายในพระชนชีพของพระเยซูมาหลายช่วงหลายตอนแล้วปกตินิมิตของเธอ จะเริ่มจากฉากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากพระกยาหารมือสุดท้ายแล้วก็มาจบลงตอนที่พระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแต่ก็มีบ้างบางครั้งที่เห็นนิมิตยืดเยื้อไปถึงตอนที่ฝังพระศพในหนังสือพิมพ์ INS ที่ส่งมาจากเยอรมันฉบับวันที่26มีนาคมปีคริสต์ศักราช1948ค่ะ รายงานบอกว่าหญิงสาวชาวบ้านในเยอรมนีนอนทอดปร่างอยู่บนเตียงเปรในวันก o ตฟรายเดยศีรษะมือทั้งคู่บ่าทั้งสองข้างล้วนมีโลหิตไหลออกมาจากตำแหน่งที่พระคริสต์ทรงถูกตอกตะปูตรึงกับไม้กางเขนและถูกนาำจากมงกุฎนาำทิมแทงชาวเยอรมันและชาวอเมริกันหลายพันคนที่เต็มไปได้วยความพิศวงยำเยง ต่างเดินแถวผ่านเตียงในกระท่อมอันเป็นที่พักของเทเรซีนอยแมนกันอย่างเงียบสงบสตรีผู้มีรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ท่านนี้สิ้นชีวิตลงที่เมืองคอนเนอร์สลอยเมื่อวันที่18กันยายนปีคริสต์ศักราช 1,962 อันนี้เป็นข้อมูลจากเชิงอัดที่ผู้จัดพิมพ์ได้ใส่อธิบายไว้ให้นะคะย้อนกลับไปที่ช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ ท่านโยคานันทะบอกว่าเมื่อเข้าไปเทเรซี er ese, สอบผ่านบททดสอบแรกของท่านที่บ้านของสัตว์าจารย์เพราะเธออย่างรู้ได้ว่าถ้าเดินทางมาพบเธอด้วยเหตุผลทางจิตวิญญาณไม่ได้มาเพื่อความอยากรู้อยากเห็นเพียงชั่วแล่นเหมือนกับคนโดยทั่วไป การทดสอบขั้นที่สองของท่านเชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงที่ว่าก่อนหน้าที่จะขึ้นบันไดไปยังห้องของเธอท่านโยคานันทะได้เข้าชานเพื่อติดต่อกับเธอทั้งทางโทรจิตและโทรภาพเมื่อเข้าไปในห้องก็เห็นผู้มาเยือนยืนอยู่เต็มไปหมดภาพตรงหน้าก็คือเทเรซ นอนอยู่บนเตียงในชุดเสื้อคลุมสีขาวจากเปลือกตาล่างมีเลือดไหลาอาบลงมาเป็นสายทานเล็กๆกว้างราวหนึ่งนิ้วดวงตาของเธอเหลือกขึ้นไปหาตาที่สามตรงกึ่งกลางหน้าผากผ้าที่พันอยู่รอบศีรษะชุ่มไปด้วยเลือดจากรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ของมงกุฎนามชุดสีขาววนร่างของเธอมีรอยเปื้อนสีแดงฉานเป็นดวงดวงอยู่บริเวณสวงอกซึ่งทะลุจากบาดแผลตรงสีข้างของพระคริสต์ในอดิตการอันเนิ่นนานสมัยที่พระองค์ถูกหมิ่นพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายจากทหารผู้เอาหอกแทงใส่มือทั้งสองของเทเรซายืนออกมาด้วยทีท่าของมารดาที่กาลังขอร้องวิงวอน ใบหน้าของเธอแสดงถึงความเจ็บปวดทรมานและความสูงส่งในคราวเดียวกันร่างเธอดูผอมบางลงกว่าเดิมและมีความเปลี่ยนแปลงอันยากจะอธิบายความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นให้เห็นทั้งภายในและภายนอกริมฝีปากของเธอสั่นเล็กน้อยขณะพูดพึมพำเป็นภาษาต่างประเทศกับผู้คนที่เธอมองเห็นในนิมิตด้วยตาคือ คือเธอนี่หลับตาเลือกตาแต่พูดกับคนที่เธอเห็นในนิมิตเป็นการเห็นด้วยตาในซึ่งอยู่เหนือจิตสำนึกไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อที่เราเราท่านๆใช้อยู่ท่านโยคานันทะบอกว่าเมื่อท่านปรับกระแสจิตของตนให้เข้ากับของเทรเรซีคือปรับให้เป็นคลื่นความถี่เดียวกันเนี่ยนะคะก็เริ่มมองเห็นภาพนิมิตเดียว ก, กันกับที่เทรเรซเห็น โอ้โหเหมือนกับเป็นคลื่นวิทยุเลยจริงๆนะคะท่านปรับความถี่ของกระแสจิตให้เป็นคือปรับให้จูนเข้าหากันได้สิ่งที่ท่านโยคานัน้าเห็นก็คือท่านเห็นเทเรเซเ์กำลังเฝ้ามองพระเยซูแบกไม้กางเขนท่ามกลางเสียงโหร้องเยอะหยันของฝูงชน ทันใดนั้นเธอก็พงงศีรษะขึ้นด้วยความอกสั่นขวัญหายเพราะว่าพระคริตส่งล้มลงเพราะว่าทานน้ำหนักไม้กางเขนที่ทรงแบกไว้ไม่ไหวภาพนิมิตเลือนหายไปทเทเรเซ่ทิ้งศีรษะกลับลงบนหมอนอย่างสิ้นแรงด้วยความสงสารอันท่วมทน้นจนเกินจะรับไหว ในขณะนั้นก็มีเสียงล้มตึ้งดังที่ด้านหลังชายสองคนหามร่างของคนคนหนึ่งที่เป็นลมออกไปจากห้องทันหันกลับมาดูเทเซรซีอีกครั้งใบหน้าของเธอยังคงซีดเผือดเหมือนคนตายแล้วก็มีเลือดไหลออกมาเป็นสายอยู่เช่นเดิมเพียงแต่ตอนนี้ดูสงบและฉายประกายแห่งความบริสุทธิ์สูงส่ง คือคนที่ดูบางคนนี่ก็ทนไม่ได้ถึงกับสลบไปเลยเป็นลมจากนั้นท่านกับคณะก็กล่าวอำลาเทรเรซในใจ ก่อนที่จะพากันออกจากห้องมาเพราะว่ามีผู้สแสวงบุญที่มาเข้าแถวรอชมกันอย่างมีน้ำอดน้ำทนอีกหลายคนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ นี่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์แปลกๆระหว่างการเดินทางของท่านโยคานันทะเป็นการเดินทางกลับบ้านกลับอินเดียที่มีการจอดแวะพักที่ยุโรปพักสักครูค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงนา วันรุ่งขึ้นคณะของท่านโยคานันทะก็ขับรถลงใต้การทัวร์ยุโรปไปสิ้นสุดลงที่ประเทศกรีซซึ่งมีการไปเที่ยวชมวิหารของเทพีอาชธนาแล้วก็ห้องขังที่โซเครติสดื่มยาพิษตาย พวกเราลงเรือข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ามกลางแสงแดดอันแจ่มจ้าไปขึ้นฝั่งที่ปาเลสไตน์ใช้เวลาวันแล้ววันเล่าท่องไปทั่วดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทาให้ข้าพเจ้าตรหนักถึงคุณค่าของการเดินทางไปแสวงบุญมากยิ่งขึ้นคณะเล็กๆของเราได้ไปชมรางย่าอันเป็นที่ประสูตร ร้านช่างไม้ของโยเซฟหลุมศพของกราซารัสบ้านมาชาและมารีรวมถึงห้องเสวยพระกยาหารมื้อสุดท้ายเรื่องราวแต่ครั้งโบราณค่อยๆเปิดเผยออกมาฉากแล้วฉากเล่าให้ข้าพเจ้าได้เห็นละครแห่งพระเจ้าที่พระคริสต์เคยเสด็จลงมาสวมบทบาทบนเวทีโลกเพื่อมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเห่ามุ่งหน้าต่อไปอยังอียิปต์ที่นี่ มีพร้อมทั้งกรุงไคโรทันสมัยและหมู่ปิรามิดอันเก่าแก่จากนั้นก็ลงเรือล่องทะเลแดงข้ามทะเลอาระเบียอันกว้างใหญ่และเบื้องหน้าของเราก็คือประเทศอินเดียในที่สุดเรือราชปุตตนะที่นำพาท่านโยคานันทะและคณะเล็กๆ ก, ก็เข้าจอดเทียบท่าเรือใหญ่ของบอมเบย ในวันที่22สิงหาคมปีคริสต์ศักราช1935พเ้พื่อนเพื่อนมารวมตัวกันที่ท่าเรือเพื่อตอนรับท่านโยคานันทะและคณะด้วยพวงมาลัยหลังเข้าพักในห้องสวีทที่โรงแรมทัชมาฮาลได้ไม่ทันไบรก็มีนักข่าวกับช่างภาพบุกมาสัมภาษณ์อีกขยงใหญ่บอมเบย์เป็นเมืองใหม่สำหรับท่านโยคานันทะ บอมเบย์ดูทันสมัยเปลี่ยมไปด้วยพลังและก็เต็มไปด้วยนวัตกรรมใหม่ๆที่รับมาจากตะวันตกถนนหนทางกว้างขวางมีอาคารที่ทำการสูงใหญ่ของทางการผุดขึ้นมาเทียบเคียงกับหมู่เทวาลโบราณทันโยคานันทะร้อนใจอยากจะไปกราบท่านอาจารย์แล้วก็อยากพบครอบครัวญาติมิตรอันเป็นที่รัก หลังจากส่งรถไปกับตู้ขนส่งสัมภาระแล้วคณะของท่านโยคานันทะก็ขึ้นรถไฟมุ่งสู่ตะวันออกเพื่อไปกนละกาตาอย่างไม่รอช้าพอมาถึงสถานีฮาวราก็เจอผู้คนอีกขยงใหญ่ที่พร้อมใจกันมาต้อนรับผู้คนมากันแบบแน่นขนัดจนกระทั่งลงจากรถไฟไม่ได้อยู่ครู่ใหญ่ มหาราชาแห่งกาซิมบาซาที่ยังหนุ่มแน่นกับพิสนุน้องชายของท่านโยคานันทะเป็นผู้นำคณะมาต้อนรับในครั้งนี้ท่านโยคานันทะไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ ทำกลางเสียงกรองแล้วก็เสียงสังอันครื้นเครงมิสเบลจมิสเตอร์ไร์และท่านโยคานันทะพร้อมพวงมลาลัยที่ครองตั้งแต่ศีรษะจะรดปลายเท้าก็ค่อยๆเดินทางตรงไปยังบ้านของพ่อของท่านอย่างช้าๆและเมื่อไปถึงและได้พบกันพ่อของท่านโยคานันทะซึ่งตอนนี้ก็แก่ลงมากแล้ว ได้ก้มลงโอบกอดลูกชายผู้จากไปนานถึง15ปีเอาไว้อย่างแน่นซึ่งทันโยคานันทะได้บรรยายเหตุการณ์ช่วงนี้เอาไว้อย่างนี้นะคะว่าพอผู้แก่ตัวลงโอบกอดเข้าพปเจ้าเอาไว้แน่นเรากลับเข้าพระเจ้าตายแล้วฟื้นตื่นขึ้นมาใหม่กระนั้น เราได้แต่มองดูกันและกันด้วยความยินดีจนพูดอะไรไม่ออกพี่น้องชายหญิงลุงป้านะ้าอาลูกศิษย์ลูกหาและผองเพื่อนสมัยเมื่อหลายปีก่อนต่างเข้ามารุมล้อมเข้ามาเจ้าเป็นน้ำหูน้ำตากันไม่มีเว้นแม้สักคนเมื่อหวนนึกถึงความทรงจำเก่าๆภาพความรักใคร่กรมเกลียวในยามที่ได้กลับมาพบหน้ากันอีกครั้งก็ยังแจ่มชัดไม่มีวันลบเลือนไปจากใจเข้ามาเจ้าได้ ก็เป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจและก็น่าจดจำของทุกๆคนเพราะว่าท่านเองเนี่ยจากบ้านจากครอบครวัวจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทุกคนที่คุ้นเคยนานถึง15ปีนะคะจากนั้นคะ่ะ ท่านก็เดินทางไปหาบุคคลสำคัญที่สุดในชีวิตอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือท่านอาจารย์สียุคเตส่วนซึ่งช่วงเวลาของการได้พบกับท่านอาจารย์สียุคเตส่วนนั้นท่านโยคาเนนทาบอกว่าข้าพเจ้าจนด้วยคำพูดได้แต่อาศัยบันทึกของผู้เป็นเลขานุกการมาบอกกล่าวไว้ดังนี้อันนี้เป็นบันทึกของมิสเตอร์ไรท์ ที่เป็นผู้ติดตามหรือว่าเป็นลูกศิษย์ท่านนะคะเป็นฝรั่งมิสเตอร์ไรบอกว่าวันนี้ผมขับรถพาท่านโยคานันทะออกจากกาลากตตาไปสิรัมปอด้วยความคาดหวังอย่างที่สุดเราผ่านร้านรวงที่ดูแปลกตาหนึ่งในนั้นเป็นร้านอาหารร้านปโปรดของท่านโยคานันทะสมัยที่ท่านยังเรียนหนังสืออยู่ในวิทยาลายัยสุดท้าย พวกเราก็เข้าสู่ตรอกแคบๆมีกำแพงขนาบอยู่สองข้างทางพอเลี้ยวซ้ายก็พบอาสมของท่านอาจารย์ตั้งระงานอยู่ตรงหน้าเป็นอาสมก่ออิดสูงสองชั้นมีระเบียงราวลุกกรงยื่นออกมาจากชั้นบนให้ความรู้สึกถึงสารติและความวิเวกผมสำรวมกายใจ เดินตามหลังท่านโยคานันทะเข้าไปในลานกว้างกลางวงล้อมกำแพงของอาสมใจผมเต้นแรงเมื่อเราก้าวขึ้นบันไดปูนซีเมนเก่าๆซึ่งคงจะเคยมีผู้สแสวงหาสัจ ธ, ธรรมก้าวยำขึ้นไปนับไม่ถ้วนแล้วเป็นแน่ยิ่งรุดหน้าไปก็ยิ่งรู้สึกเกรงมากขึ้นแล้วตรงหน้าเราใกล้ๆกับหัวบันไดก็ปรากฏร่างของท่านสวามีสียุคเตสวนผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นเงียบเงีย ท่านยืนอยู่ในลักษณะการอันสูงทรงของผู้ทรงไว้ซึ่งศรีราชาวัตรหัวใจของผมเต้นโลดและพองโตโด้วยความปิติที่ตัวเองมีวาสนาได้พบเห็นท่านกับตาได้เห็นท่านโยคานันทะคุกเข่าลงค้อมศรีรษะคารวะท่านด้วยกระตันยุตาน้ำตากรื้นขึ้นมาในดวงตาจนภาพตรงหน้าดูพร่าไปหมดท่านโยคานันทะ ยื่นมือไปแตะเท้าอาจารย์ของท่านแล้วดึงมือกลับมาแตะหน้าผากของตนเองเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดครรนท่านลุกขึ้นยืนท่านสี่ยุคเตยสวนก็สวมกอดท่านเอาไว้ด้วยแขนทั้งสองข้างช่วงแรกไม่มีคำพูดใดให้ได้ยินมีแต่การรับรู้ความรู้สึกอันล้นหลากในจิตวิญญาณของกันและกันอย่างเงียบงันเท่านั้น ดวงตาของทั้งสองท่านเป็นประกายเจอจ้าด้วยความสุขใจที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งกระแสความรักใคร่อาทรแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณนอกชานอันเงียบสงบผมคุกเข่าลงตรงหน้าท่านอาจารย์ด้วยความรักและสำนึกในพระคุณของท่านอยู่ในใจยื่นมือไปสัมผัสเท้าอันสากและหยาบกร้านไปตามการเวลาและการใช้งานพรางรับผ่อจากท่าน จากนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วมองตรงเข้าไปในดวงตาอันสุกใสของท่านมันดูลุ่มลึกจากการรู้คิดพิจารณาตนอยู่เป็นนิตแต่ก็ใช้แววแจ่มใสเป็นสุกด้วยเราเข้าไปในห้องรับรองซึ่งด้านหนึ่งเปิดโล่งออกหาระเบียงที่เรามองเห็นจากถนนกันตั้งแต่แรกทานายจายนั่งลงบนเบาะที่วางอยู่บนพื้นซีเมนอิงหลังพิงเก้าอี้นวมที่เก่าคร่าค่า ทันโยคานันทะกับผมนั่งลงที่แทบเท้าท่านมีหมอนอิงสีส้มให้อิงหลังช่วยให้นั่งบนเสื่อฟางได้สบายขึ้นฝรั่งก็ไม่เคยคุ้นเคยกับการนั่งกับพื้นแบบนี้มิสเตอร์ไร์ก็ฟังท่านสวามีทั้งสองพูดคุยกั น, เ ป, นเป็นภาษาเบงกอลีนะคะภาษาเบงกอลแต่ก็ฟังไม่ออก ได้แต่รับรู้ถึงคลื่นแห่งความสุขความปิติของสองท่านของสิทธ์กับอาจารย์ของอาจารย์กับสิทธ์นะคะมิสเตอร์ไรท์ก็คงจะตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นมากเขาบรรยายว่าท่านสียุคเตสวนแต่งกายเรียบร้อยผ้าโทตีหรือว่าผ้านุง่งกับเสื้อของท่านครั้งหนึ่งคงจะเคยเป็นสีย้อมฝาด แต่ตอนนี้ซีดลงเป็นสีส้มจางท่านมีรูปร่างสูงใหญ่เหมือนนักกีฬาบึกบึนเพราะว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความลำบากในการใช้ชีวิตเยี่ยงผู้สละแล้วซึ่งทางโลกมานานทวงท่าเปลี่ยนไปด้วยสง่าราศีอากับกิริยายามเคลื่อนไหวมีสงา่าลำตัวตั้งตรงในทุกอิริยาบถแล้วก็มีเสียงหัวเราะอย่างเบิกบานเต็มที่ดังออกมาจากโพรงอก ทำให้ตัวท่านพลอยสั่นกระเพื่อมไปด้วยใบหน้าของท่านเคร่งขรึมแต่ทรงไวซึ่งทิพย์พญานาจอย่างเด่นชัดผมแสกกลางแล้วก็งอเป็นสีขาวตรงกรอบหน้าผากส่วนอื่นเป็นริ้วสีทองเหลือบเงินบ้างสีดําเหลือบเงินบ้างปลายผมที่ตกลงมาประบากขดงอเป็นปอยๆท่านมีหนวดเคราแต่เพียงบางๆช่วยเสริมบุคลิกให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ในตาเป็นสีเข้มมีสีน้ำเงินของเบื้องฟ้าล้อมเป็นวงอยู่ทางรอบนอกท่านมีจมูกค่อนข้างใหญ่เนื้อหนาเวลาอยู่ในอารมณ์ผ่อนคลายท่านจะใช้นิ้วจับจมูกบิดเล่นไปมาเหมือนเด็กเวลาอยู่ในอารมณ์เฉยเฉริมฝีปากท่านจะเม้มแน่นแต่ก็ยังมีความอ่อนโยนให้สัมผัสได้อยู่ดี สอดสายสายตาไปทั้งนั้นทีทั้งนี้ทีแล้วก็เห็นว่าห้องนี้ค่อนข้างสุดโสมผนังสีขาวกระดำกระดางมีรอยปูนฉาบสีฟ้าที่ซีดจางพาดเป็นริ้วเป็นแถบเหมือนกับว่าผู้เป็นเจ้าของห้องไม่ได้สนใจกับการหาความสุขสบายทางกายปลายห้องด้านหนึ่ง มีรูปของท่านลายฮิริมหัสยะแขวนไว้แล้วก็ครองมาลายธรรมดารรมดาเป็นเครื่องบูชาแล้วก็มีภาพถ่ายท่านโยคานันทะสมัยเพิ่งไปถึงบอสตันยืนอยู่กับผู้แทนจากชาติอื่นๆที่มาร่วมประชุมนานาชาติว่าด้วยเสรีภาพทางศาสนา เห็นได้อย่างชัดเจนว่าท่านศียุคเตสวนมีความสุขมากที่ผลิตผลหรือว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยกลับมาท่านโยคานันทะมีของฝากมาถวายท่านตามธรรมเนียมของศิษย์ที่ได้กลับมากราบคารวะผู้เป็นอาจารย์อีกครั้งคือมีของ มีของฝากมาให้อาจารย์หลังจากนั้นทุกคนก็นั่งลงกินอาหารพื้นๆที่ปรุงมาอย่างดีทั้งผักและข้าวหลายชั่วโมงผ่านไปท่ามกลางเสียงสนทนาภาษาเบงกาลีที่ดังขึ้นไม่ขาดสลับกับการแย้มยิ้มชำเลืองมองกันและกันเป็นพักๆจากนั้น ทุกคนก็ก้มกราบลาท่านที่แทบเท้าซึ่งเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดนะคะแล้วก็มุ่งหน้ากลับมาอย่างกะลกะตาด้วยความทรงจำที่จะตราตรึงไปชัว่วกะลาปวานในการที่ได้พบได้กราบท่านผู้ทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ นี่คือข้อเขียนจากบันทึกของมิสเตอร์ไรท์ที่เป็นลูกศิษย์ที่ได้ติดตามท่านโยคานันทะกลับมาที่อินเดียในส่วนของท่านโยคานันทะนะคะท่านก็ได้หาข้ า, ขาวของหลายอย่างมาฝากท่านอาจารย์สียุคเตส่วนแต่ของที่ถูกใจท่านมากที่สุดคือไม้เท้าที่ใช้เป็นร่มได้คือเป็นทั้งไม้เท้าแล้วก็เป็นทั้งร่มในตัวเป็นของฝากจากเยอรมัน ตอนแรกท่านคิดว่าจะเก็บเอาไว้ใช้เองแต่พอมาถึงอินเดียท่านก็เปลี่ยนใจเอาไปฝากอาจารย์แทนปรากฏว่าท่านศรียุคเตสวนถูกใจมากจากเซรัมปอและ ก, ลกัลกาต้า ท่านอยคานันทะออกเดินทางไปรานจีพร้อมกับมิสเตอร์ไร์แล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างน่าประทับใจที่สุดท่านถึงกับน้ำตาคลอเมื่อโอบกอดเหล่าคณาจารย์ผู้เปี่ยมไปด้วยความเสียสละในการดูแลรักษาโรงเรียนแห่งนี้เอาไว้ตลอด15ปีที่ท่านจากไปในช่วงนั้นปรากฏว่าโรงเรียนที่รานจีซึ่งท่านก่อตั้งขึ้น กำลังประสบปัญหาด้านการเงินอย่างรุนแรงค่ะมหาราชาที่เคยเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะก็ลาโลกไปเสียแล้วงานในส่วนที่ทำเป็นการกุศลในหลายๆแผนกก็ขาดเงินสนับสนุนจากสังคมถึงท่านที่อาจจะต้องปิดตัวในเร็ววัน แต่หลายปีที่พำนักอยู่ในอเมริกาท่านโยคานันทะได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประโยชน์รวมถึงจิตวิญญาณที่ไม่พลั้นพรึงต่ออุปสรรคทั้งปวงท่านจึงรั้งอยู่ที่รานจีตลอดทั้งสัปดาห์ดินรนหาหนทางแก้ไขวิกฤตการณ์ในครั้งนี้จากนั้นก็ไปพบปะพูดคุยกับบุคคลสำคัญและนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงของ ก, ละกะาลกต้านหลายท่านท่านได้เข้าเฝ้ามาหาราชา แห่งกาซิมบาซาพระองค์ใหม่ที่ยังหนุ่มอยู่มากได้ขอความช่วยเหลือทางการเงินจากพ่อและแล้วค่ะก็สามารถแก้ปัญหาได้รากฐานอันสั่นคลอนของโรงเรียนที่รานจีเริ่มมั่นคงขึ้นแล้วก็มีลูกศิษย์ชาวอเมริกันหลั่งไหลบริจาคเงินได้อย่างถันท่วงทีพอดีในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่ท่านโยคา น, นันทะกลับมาถึงอินเดีย โรงเรียนที่รานจีก็ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรโดยถูกต้องตามกฎหมายซึ่งทำให้ท่านโยคานันทะชื่นใจแล้วก็คงจะโล่งใจมากการตั้งศูนย์การศึกษาโยคะขึ้นเป็นการถาวรเป็นสิ่งที่ท่านฝันมาชั่วชีวิตตอนนี้ฝันเป็นจริงขึ้นมาแล้วหลังจากที่เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านเริ่มต้นก่อตั้งโรงเรียนเล็กๆโดยมีนักเรียนเพียง7คนเท่านั้น โรงเรียนโยโคทะสัตตสังคพราหมาจาร์เปิดสอนวิชาวยากรและวิชาต่างๆในระดับมัธยมทำการเรียนการสอนกันกลางแจ้งมีเด็กนักเรียนทั้งที่อยู่ประจำแล้วก็ไปกลับเด็กๆจะได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยที่น่าสนใจมากก็คือตัวนักเรียน จะเป็นผู้กำหนดกฎระเบียบในการทำกิจกรรมต่างๆและการอยู่ร่วมกันผ่านทางคณะกรรมการนักเรียนที่เด็กๆคัดเลือกขึ้นมาเองท่านโยคานัน้าบอกว่าเมื่อตอนแรกที่ท่านหันมาจับงานด้านการศึกษานั้นท่านพบว่าพวกเด็กสนที่ชอบแกล้งชอบลองภูมิจะเต็มใจยอมรับระเบียบวินัยที่นักเรียนด้วยกันเป็นผู้กาหนดขึ้นมากกว่าครูกาหนดขึ้น ตัวท่านเองนั้นท่านก็บอกว่าท่านไม่ใช่นักเรียนตัวอย่างอยู่แล้วท่านก็เลยพร้อมที่จะเห็นใจและเข้าใจในความเกเรของเด็กๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นกฎระเบียบต่างๆก็ให้เด็กๆนี่แหละเป็นคนกาหนดขึ้นมาเองเด็กๆจะได้เรียนรู้วิธีฟื้นฟูพลังให้กับกล้ามเนื้อโดยใช้อำนาจจิตตามหลักโยคทะซึ่งอาศัยจิต ชักนำพลังปราณให้หมุนเวียนไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเด็กๆยังได้เรียนท่าอาสนะคือได้เรียนโยคะอาสนะเรียนฟันดาบฝึกใช้ไม้กระบองได้รับการฝึกหลักการประถมพยาบาลขั้นต้นการออกช่วยเหลือผู้คนในยามเกิดอุทกภยัยและเกิดทุพพิภัายซึ่งเด็กๆ ก, ก็ทำได้อย่างน่ายกย่องนะคะแล้วก็เด็กๆยังจะได้เรียนการทาสวนแล้วก็ การที่รู้จักปลูกผักกินเองด้วยอันนี้คือวิชาเรียนสิ่งที่จะต้องเรียนในโรงเรียนคือน่าสนใจมากนะคะไม่ใช่แค่วิชาการอย่างเดียวจุดเด่นของโรงเรียนที่รานจีคือการสอนกิยาโยคะในแต่ละวันเด็ <S <S กๆได้ฝึกฝนจิตได้ขับสโลกในพัควัตคีตาได้เรียนรู้เรื่องศีลธรรม และตัวอย่างของคุณธรรมว่าด้วยความเรียบง่ายการอุทิศตนเพื่อผู้อื่น <lac en> เกียรติยศและสัตจากเด็กๆจะได้รับการชี้แนะให้เห็นว่าความชั่วร้ายก็คือสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์ความดีคือการกระทาที่ยังผลให้เกิดความสุขที่แท้จริงความชั่วอาจเปรียบได้กับน้ำผึ้งพิษหน้าลิ้มลองแต่ถ้ากินเข้าไปก็มีแต่ตายกับตาย ในโรงเรียนบราญจีนะคะยังมีโรงพยาบาลหรือว่าเรือนบริการด้วยค่ะที่นี่ให้บริการทางการแพทย์และการผ่าตัดแก่คนยากคนจนหลายพันคนในอินเดียโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่นี่มีอากาศที่อบอุ่นสบายภายในเนื้อที่25เอเคอร์ริมบึงน้ำใหญ่สำหรับให้ลงไปอาบน้ำชำระกาย มีสวนซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางโรงเรียนและจัดเป็นสวนที่งามที่สุดแห่งหนึ่งในอินเดียปลูกผลไม้เอาไว้มากถึง500ต้นทั้งมะม่วงอินทผลัมฝรั่งลิ้นจี่และขนุนห้องสมุดวานจีมีนิตยสารจำนวนมากกับหนังสือรวมเล่มอีกนับพันทังหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาเบงกอลี มีคำพีในศาสนาสำคัญของโลกอยู่ครบถ้วนมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแบ่งหมวดหมู่ไว้เป็นอย่างดีมีนิทรรศการให้ชมทั้งอัญมณีโบราณคดีธรณีวิทยาและมนุษยวิทยาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของที่ระลึกที่ท่านโยคานันท h a ได้มาในระหว่างเดินทางท่องไปยังดินแดนต่างๆขององค์พระเป็นเจา้า โรงเรียนมัธยมที่เป็นสาขาเป็นโรงเรียนประจำแล้วก็มีการสอนโยคะแบบเดียวกับที่รานจีได้รับการจัดตั้งขึ้นหลายแห่งหลังจากนั้นแล้วก็เจริญก้าวหน้าดีในปัจจุบันค่ะทั้งหมดนี้ อยู่ภายใต้สำนักงานใหญ่ของ e l f r e a l i ย a t i o n Fellowship ในนครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตอนหน้านะคะจะเป็นตอนที่สำคัญอีกตอนหนึ่งค่ะจะเป็นตอนที่ท่านอาจารย์ศรียุคเตสวน <I am S 1> ท่านจะละสังขารมีความมหัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นในการละสังขารของท่านอันนี้อยากให้ติดตามนะคะ นี่คือชีวิตโยคีจากหนังสืออัตาชีวประวัติของโยคีงานเขียนของท่านประมาหังสายโยคานันทะนะคะหองสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังเพื่อชวนคุณเรียนโโรู้ เกี่ยวกับเรื่องชีวิตโยคีนะคะนี่คือตอนที่24พบกับตอนหน้าตอนที่25ได้ใหม่ที่นี่ห้องสมุดหลังไมวิทยุไทย PBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ใหม่ห้องสมุดที่ฟังได้ทางวิทยุกับรัศมีมณีนิน